ที่นี้การเจริญหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญแค่ไหนจึงจะละอวิชากับละตัณหาได้อวิชานี่ถ้ามีวิชาวิชารู้อะไรรู้ว่านี้ทุกใช่ไหมถ้าก า, าถ้าอย่างขันธบัพเมื่อวานเนี่ยกล่าวว่าถ้าผู้ที่มีวิชาก็มีวิชารู้ว่านี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้ข้อปฏิบัติใหถึงความดับแห่งรูปเนี่ยนะ อันนั้นเป็นเป็นวิชาใช่ไหมถ้าไม่รู้อย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้เรียกว่าอาวิชาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้สมถะและวิปัสสนาต้องเจริญควบคู่กันไปทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่เพลิดเพลินลุ่มหลงติดข้องในรูปจะมานั่งคิดไหมว่านี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปเป็นไปได้ไหม ไม่ได้เพราะตอนนั้นเมาในรูปอยู่แมรูปนี้สวยมากว่างั้นเถอะนะถ้ารูปนี้สวยอยู่นะโอ้หนี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปไม่มีทางเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมะของคนเมาวางั้นเถอะไม่ใช่ธรรมะของคนเมาด้วยอำนาจราคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นทํำยังไงจึงจะสางจากราคะเนี่ยนะไอ้ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสางจากราคะนั่นแหละเป็นสติปัญญาน ที น, นี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเราก็มาเทียบเคียงว่าเอ๊ะชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเห็นเนี่ ย, ออยกระดูกนั่งได้กระดูกเดินได้กระดูกนอนได้นั่งได้ยืนได้พูดได้กระดูกอ่างับงั บ, ง บ, งบพูดอย่นเนี้ยนะถามว่าเอ๊ะชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงถ้าเจริญอย่างนี้นะทบอยากกระทบทวนกันไหมเอ๊ะถ้าเจริญอย่างนี้แล้วมันถ้าถ้าเห็นแต่อย่างนี้มากๆแล้วมันดียังไงพอใจไหม นะก็ก็คงยังไม่เป็นที่พอใจใช่ั้ยเมื่อไม่เป็นที่พอใจเนี่ยนะจุดประสงค์จุดมุ่งหมายที่สูงสุดที่แท้จริงคือเพื่อต้องการะนะต้องการพ้นจากกองแห่งทุกเลยนะจะได้น้อมจิตไปเพื่อธรรมะที่ที่สงบระงับจากกองทุกทั้งมวลเหล่านี้ได้เนี่ยนะซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านั้นนั้นเนี่ยนะก็ก็คู่ควร่ะนะ ถามว่าถ้ า, าวิชาเรามากขนาดไหนสมควรต้องห า, อาวิชามาใส่ให้เท่านั้นสมมติถ้าอกวิชามันมากขนาดนี้นะเราต้องการความรู้แค่เล็กน้อยเนี่ยพอไหมที่จะละวิชานั้นไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี่ยพ่วมเผาไปเรียกว่ามันเผามากแล้วเกินนี่นะต้องการเอาน้ำคือพระธรรมเนี่ยมาดนิดๆหน่นนอยๆแล้วก็มารสเนี่ยพอไหม นะพอไหมถ้าถ้าสมมติว่าไฟนี่ไหม้บ้านแนละ้วก็เอาน้ําเท่ากับน้ําหยดน้ำอะไรน้ำกรวดน้ำอะนะถ้ามันหยดถ้เท่านั้นอนะพอไหมที่จะดับไฟคือกิเลสก็ไม่พออยู่แล้วทีนี้ไฟมันไหม้ทั้งหมดศีสระไปจนถึงปลายเล็บหมดเลยเนี่ยนะก็ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะจึงไม่ควรเกี่ยงไม่ควรหยุดอยู่เพราะว่าคําสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าพระองค์ยอมรับว่าคําสอนทั้งหมดนี้เป็นที่สางแห่ง อะไรเป็นที่เพิกถอนแห่งตันหานั้นคำสอนทั้งหมดจึงมีรถเดียวคือวิมุติรถใช่ไหมเมือ่อเมื่อเป็นไปเพื่อวิมุติรถนี้ทำยังไงที่จะเจริญหรือปฏิบัติตามคำสอนอันนั้นอันนี้เป็นกิจที่สาวกทั้งหลายควรทำไว้ในใจว่าทำอย่างไรหนอเราจะได้เจริญตามอย่างที่พระองค์แสดงไว้พระองค์แสดงกายานุปัสนาทำอย่างไรเสเราจะได้เจริญตามเนี่ยนะถ้า ถ้าตั้งโจทย์ไว้แบบนี้น่าจะงอกงามได้มากกว่าธรรมดาจะถามอะไรไหมครับเอ้าวันนี้มีแขงมาด้วยมีอะไรไหมครับพิกเกสร์มีไหมครับ ผมขอเรียนถามนี่นคือในเรื่องการเจริญกายานุปัสนานะฮะคือวัตถุประสงค์เพื่อละสุภวิปปาราตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการเจริญกายานุปัสนาเนี่ยละวิปปาราตอื่นๆได้บ้างไหมครับด้วยไหมหรือว่าเป็นผลพลอยได้หรือว่าถ้าละสุภวิปปาราตได้ยังไงยังไงต้องไปเกี่ยวข้องกับสุขวิปาราหรือว่าอัตาวิปาราด้ดวย ตรงนี้ก็คงว่าไปตามจริตนะคือธาตุของแต่ละคนเนี่ยติดไม่ไม่เหมือนกันบางพวกนี้ติดรูุประคันเนี่ยมากเรียกว่าติดเบญจากามคุณเนี่ยติดมากเนี่ยนะพงั้นพวกนี้ก็เน้นการเจริญกายานุปัสสนาถ้ากลุ่มที่ติดพวกฌานเป็นส่วนมากพวกเนี้เจริญเวทานานุปัสสนาเนี่ยนะเหมาะส่วนกลุ่มที่คิดถึงชีวิตอมะตะตลอดกาลเนี่ยนะพวกเนี้ยเจริญ จิตตานุปัสสนาเนี่ยเพราะว่ามันคิดถึงแต่ความเที่ยงเนี่ยนะไอ้ตัววิญญาณนี่เป็นตัวที่ที่เที่ยงส่วนที่อตตะก็คือกลุ่มที่ไม่มีการแยกแยะอะไรเลยจะมองอะไรทั้งหมดเป็นของรวมๆเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จึงมาเจริญธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะแล้วถ้ากล่าวตามเจริญนี้กลุ่มตัณหาเจริญเจริญกายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนากลุ่มทิฏฐิเจริญนี้จเจริญ จิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาอันนี้เป็นเบื้องแรกเนี่ยนะในเรียกว่าในจุดเริ่มต้นในการเข้ามาศึกษาพระธรรมสติปทานสูตรเนี่ยนะตัวที่แสดงเต็มยศยี่สิบเอ็ดบพะเลยเนี่ยมีอยู่สองแห่งเท่านั้นเองคือในทีขณิกายกับมัชิมนิกายแต่เชื่อว่าแสดงครั้งเดียวกันแต่เอาไว้ไปเอาเอาไปไว้สองนิกายเนี่ยนะคือพระ ที่ทำสังขยนาพระไตรปิฎกเนี่ยนะคือพระอนนท์เป็นต้นอะ่ะท่านเอาสติปฐานสูตรเนี่ยถ้าอยู่ในทีคณิกายเรียกว่ามหาสติปทานสูตรถ้าอยู่ในมัชฌิมนิกายเรียกว่ า, าสติปทานสูต ร, ร, ต ร, ตรที่จริงอะ่ะทุกถ้อยความเนี่ยเหมือนกันหมดขยายเหมือนกันอธิบายเหมือนกันทุกอย่างที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันมีที่นั้นอะ่ะที่แสดงเต็มอยู่ที่เดียวทั้ง21บ่บเอบพะส่วนที่เหลือจะแสดงทีล ะ, ะตามอัธยาศัยไปเลย นะว่าเป็นรายคนแต่ทําไมสูตรนี้จึงแสดงใหญ่มากเพราะว่าสติประธานสูตรทั้งทั้งทั้งจบนั้นน ะ, อะพอพระองค์แสดงจบเนี่ยบรรลุหนึ่งมเนี่ยนะวันที่ที่แสดงมหาสติประธานสูตรที่แคว้นกุรุเนี่ยนะบร 1, รลุหนึ่งหมื่นท่านอันนั้นถือว่าเป็นสูตรใหญ่มากนี่ในบรรดาคนเป็นหมื่นหะมื่นเนี่ยนะถ้าบรรลุหนึ่งมื่นเนี่ยคนควรจะฟังให้หมื่นท่วนใช่ไหมลึก ก็ต้องเกินอยู่แล้วเมื่อเกินอยู่แล้วเนี่ยอัธยาศัยเนี่ยขนาดไหนที่ที่มาอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะที่มานั่งฟังซึ่งแคว้นนั้นเขาบอกว่าอากาศก็ดีอาหารก็ดีคนฟังทำได้ยาวได้นอนพระองค์ก็สา ม, มารถแสดงยักย้ายหลากหลายตามตามอัธยาศัยที่นี้ถ้ากล่าวถึงสติปัฏฐานทั้ง4บับพะทั้งสี่หมวดก็คือการจาแนกขันห้าโดยนิยต่าง นะยกรูปประขันอย่างตลอดสายมาเรียกว่ากายายกเวทนาขันมาเรียกว่าเวทนาเรียกยกวิญญาณหรือจิตเนี่ยนะมาเป็นจิตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมะที่เหลือก็เป็นธรรมานุปัสสนานั้นก็คือเอาขันห้ามาแจกโดยวิธีต่างๆนะนะพอมาเป็นสังยุตติกายเข้าไม่ไม่เรียกว่าเป็นมหาสติประธานสูตรแบบยาวๆอย่างนี้ทาไมในสังยุตติกายไม่เอามาแบบนี้บ้าง เพราะอะไรเพราะว่าสังยุตตนิกายเนี่ยแตกต่างจากจากมัชฌิมนิกายหรือจากทีฆณิกายเพราะว่าสังยุตตนิกายนั้นนะ่ะพอพูดปฏิจจา ก, ก็ปฏิจจายาวเลยใช่ไหมเรื่องธาตุก็ธาตุเยอะเลยเป็นธาตุสังยุตเรื่องขันก็เป็นขันสังยุตเรื่องปัจจัยก็นิทานสังยุตอย่างเงี้ยนะพอเรื่องอายตนะก็สลายตนะสังยุตพอเรื่องนิวรณ์ก็ว่าเป็นนิวรณ์ไปเลยเรื่องโพชฌงก็ว่าเป็นโพชฌงเรื่องมรึกว่าเป็นมรึก เรื่องบรรลุสัจจะเพราว่าเป็นการบรรลุบรรลุไปตามนั้นๆไปเลยซึ่งก็คือการเอาสติปัฏฐานมาจําแนกตามรายอัธยาศัยบุคคลที่เบะเขาเรียกว่าเหมือนกับปกินกะเนี่ยนะคือเบ็ดตะหลิบทั่วๆไปส่วนสติปัฏฐานนี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นสูตรใหญ่ประมวลว่างั้นเถอะหรือว่าเป็นหัวข้อธรรมแบบกว้างขวางก็ได้ซึ่งไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะรู้รูปประคันแต่อย่างเดียว อันนะ่ะถ้าถ้าว่าให้ตรงนะถ้าใครรู้จากสีเนี่ยนะคนนั้นจะรู้ไม่ว่าสีอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาถ้ารู้จริงเรื่องสีเนะเพราะอย่างไรต้องพิจารณาสีอันนั้นโดยความเป็นอารัมมะณปัจจัยแล้วจิตที่เออแล้วเวทนาที่มีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะเวทนาไหนบ้างสีสีนี่มีแต่อิทธารมอย่างเดียวใช่ไหมบกไม่ใช่สีก็มีทั้งที่เป็นอิทธารมและ อันนี้ารมเพรนันสีก็เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาและโทมนัสเวทนาเนี่ยนะทีนี้ถามว่าทำไมจึงเกิดโสมนัสและโทมนัสอันนั้นเข้าเนี่ยนะก็เพราะสัญญาที่ที่แตกต่างกันเนี่ยนะทให้เวทนาเหล่านั้นเนี่ยแตกต่างกัน น, นะซึ่งสัญญาอันนั้นก็เป็นธรรมะทีนี้แล้วจิตที่ไปรับรู้สีอันนั้นหละ นั้นก็แล้วการรับรู้แบบนี้เนี่ยนะมีเฉพาะแต่ขณะนี้เท่านั้นหรือก็มีทั้งตลอดใช่ไหมทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันภายในทั้งภายนอกเนี่ยนะนั้นการพิจารณานั้นจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งว่าให้ตรงเลยอะ่ะพิจารณาแค่ไหนบอกว่าคู่ควรแก่การเบื่อนหน่ายและคลายกำหนัดซึ่งธรรมะมีใช้ล้ายแห่งมากมีบทหนึ่ง ทำมานุธรรมะปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่แก่ธรรมหรือปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมอะ <c oughs> คือทํำยังไงก็ได้ให้มันคู่ควรกับการบรรลุเป็นใช้ได้แล้วนะ <c oughs> แล้วก็เราเองก็ไม่ไม่ไมต้องเอาอัธยาศัยของเราไปให้คนอื่นใช่ไหมว่าวันนี้หรือเราเนี่ยรู้เท่านี้คนอื่นต้องรู้เท่าเราเนี่ยนะหรือต้องรู้เกินกว่าเราหรือคนอื่นต้องรู้น้อยกว่าเราเราก็ไม่ต้อง จัมนวนว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดแบบนี้เลยเนี่ยนะให้คิดแบบลักษณะว่าถ้าฝนตกมาเนี่ยนะใครมีภาชนะรองน้ำฝนเอาไว้ดื่มได้เท่าไหร่ก็คงเอาตามสมควรแก่อัธยาศัยทีนี้การการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอัธยาศัยที่หลากหลายยังจำระลึกถึงพระสูตรที่ว่านันทโกวาทสูตรเนี่ยนะพิสุนีรูปสุดท้ายเนี่ยบรรลุปเป็นพระโสดาบันใช่ไหมรูปชั้นสูงก็เป็น เป็นพระอรหันต์ไปเขาบอกว่าตามสมควรแก่เจตนาที่ตั้งไว้ตามอนะนัพนันทกะแสดงจบที่อรหัตอรหัตผลว่างั้นเถอะจบที่บรรลุหมดเลยแต่ว่ามีบางพวกเป็นพระโสดาบันบางพวกเป็นพระสกท า, าคามีบางพวกเป็นพระนาคามีบางพวกเป็นพระอรหันต์ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็บอกว่าเอกความดำริเดิมของเขาเนี่ยเขาตั้งไว้อย่างนั้นก็บอกอยังว่านะ อ๋นอนี่แน่นอนอ น, นะไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องกั้นเท่ากับการตั้งใจเนี่ยนะไอ้ตั้งใจไว้แบบไหนก็จะสมควรแก่ความตั้งใจเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยคุณมลชยกถึงประวัติภาษาราบุตรมาภาษาราบุตรนี้ในอดีตชาติเมื่อสักหนึ่งอสงไขยแสนกับที่แล้วเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมัยนั้นพระนามว่าอนุมัตสีท่านเป็นนักบวชเป็นหัวหน้าฤาษีมีลูกศิษย์เนี่ยหลายหมื่นเนี่ยนะ ทีนี้รพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูอุปนิสัยว่าลูกศิษย์เนี่ยมีอุปนิสัยบรรลุอรหัตมัชยกันหมดเว้นอาจารย์อยู่คนเดียวอย่างั้นก็เพราะทำไมอ่ะนะเพราะว่าพระพุทธเจ้ารู้ว่าอาจารย์เนี่ยปรามีอัธยาศัยต้องการเป็นอักระสาวกข้างขวาอย่างนะั้นนะนะก็พ้นเวลาที่อนุโมทนากถาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้อักระสาวก ข, ข้างขวาเทศก่อน แล้วให้อัคราสาวกข้างข้างซ้ายอะ่ะเทศอีกทีหนึ่งเนี่ยนะแล้วพระองค์จึงแสดงอนุโมทนาเป็นเป็นท่านสุดท้ายเนี่ยนะลูกศิษย์บรรลุหมดทีนี้อาอาจารย์เนี่ยไม่ได้บรรลุที่อาจารย์ไม่ได้บรรลุเพราะว่าพอฟังว่าอัคราสาวกข้างขวาพระพุทธเจ้าเทศเท่านั้นแหละท่านเนี่ยจิตไม่เป็นสมาธิและฟุ้งแหม่เราอยากเป็นอย่างนี้บ้างอยากเป็นอย่างนี้บ้างก็เลยไม่ได้ใคร่ครวญตามตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศ เขนึกอยากเป็นอย่างนั้นมันกั้นเอาไว้เลยไม่ได้บรรลุเลยลูกศิษย์เขาบรรลุไปหมดเนี่ยนะอาจารย์ก็ทั้งได้อภิญญาห้าสมาบัติแปดแล้นะกน็มีใจรับที่จะเป็นอัครส า, าวกข้างขวาก็เลยไม่ได้บรรลุแล้วพองนั้นก็ไปชวนเพื่อนด้วยนะฉันปราถนาข้างขวาคุณปราถนาข้างซ้ายนะนะไปชวนเพื่อนอีกกันนะเพราะฉะนั้นพระโมคคัลลานะก็เลยปาถนาตามด้วยเลยนะ ก, ก็สมัยนั้นมาเพราะฉะนั้นว่าไอ้ความตั้งใจเนี่ยสาคัญมากหรือ อย่าว่าคนอื่นเลยพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยถ้าท่านฟังสักสองประโยคเท่านั้นเน่ยท่านจะ บ, บรรลุเป็นพระอรหันต์เล ย, ยเนี่ยนะแต่ว่าประโยชน์อะไรที่ชายมีกําลังเช่นเราจะข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวไอ้ความคิดอันนั้นแหละจะว่ากั้นก็กั้นจะว่ า, วาดีก็ดีคือดีสำหรับดีสําหรับผู้อื่นแต่ไม่ดีสําหรับตัว ตัวท่านท่านควรจะพ้นใช่ไหมแต่ก็ไม่พ้นแต่ก็เพราะอนุเคราะห์เหล่าสัตว์เนี่ยนะทีนี้พอพูดมาถึงตรงนี้นะโอ้โหพระ อ, องค์นี้สละอรหัตตมรรคที่เหมือนกับว่าอยู่ในเอื้อมมือที่จะเอื้อมหยิบเอาได้ทันทีแล้วไม่เอาบอกรออีกสักสี่อสงไขยแสนกับเพื่อจะได้มาเทศเป็นพระไตรปิฎกเอาไว้เนี่ยนะสร็แล้วของเราเนี่ยนะถ้าพระ อ, องค์บำเพ็ญมาไว้ขนาดนั้นถ้าไม่อ่านไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ฟังและจําอะไรไม่ได้เนี่ยนะ เสียสงขายแสนกลับของพระองค์นี่เปล่าสําหรับเราใช่ไหมนี่เรานี้ไม่ได้อะไรเลยนะโอ้สะสมมรดกไว้ตั้งมากมายนะบอกพ่อมันใหญ่ไปก็เล่มโตไปอีกนะชักมาใคเคยเอากระจายถอดอีกเห็นรูปเล่มกระจายถอดไปเยอะเนี่ยนะก็แสดงว่าน่าสงสารจริงๆนะนะน่าสงสารนี่ต้องเจริญกรุณาตัวเองมากๆใช่ไหย พระพุทธเจ้านะเอาว่าให้ตรงนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเรียนธรรมะหรือเราจะไม่เรียนเราจะปฏิบัติหรือเราจะไม่ปฏิบัติไม่มีผลอะไรต่อตัวพระองค์อะไรเลยแต่ยิ่งตอนนี้ด้วยยิ่งชัดจะไม่มีผลอะไรกับพระองค์ทั้งนั้นเราศึกษาพระพุทธเจ้ามีอภิชาขึ้นไหมไม่มีหรือเราเลิกเรียนพระพุทธเจ้าโทรมนัดมากไม่มีเหมือนเดิมหมดเนี่ยนะเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นตอนเช้าตอนเย็นก็หายไปเนี่ยนะ คือทำกิจส่องสว่างให้แก่โลกเสร็จแล้วก็จากไปชั้นใดก็ดีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเป็นแสงประทีปแผงโลกส่องโลกให้สว่างเนี่ยนะเพื่อคนมีตาดีแต่ว่าดวงอาทิตย์วันนี้ถึงจะสว่างขนาดไหนสำหรับคนตาบอดก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อีกตามเคยเพราะฉะนั้นเราหวังว่าคงไม่บอดใช่ไหมปรารถนาที่จะรู้เช่นพระพุทธเจ้าบ้างเนี่ยนะพระองค์รู้อะไรนะกันนี้อ่านะ พอระลึกได้ไหมเนี่ยจะเห็นสารณะหรือไม่เห็นก็อยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้ารู้อะไรแล้วเราอยากรู้ตามพระ อ, องค์มั่งอะ่ะไอ้ที่ว่าเนี่ยคืออะไรจับตรงนี้เอาไว้ให้ดีถ้าจับตรงนี้เอาไว้ไม่ได้นะศึกษาไปเถอยิ่งเรียนมากทําไมหนังสือมันชักเยอะขึ้นนี่แล้วมันจะจบที่ไหนเนี่ยอาจารย์ก็พูดไม่มีเลิกสักทีเลจบที่ไหนเนี่ยจบเมื่อไรเมื่อไหรจะพอสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะเมื่อไหร่จะไปปฏิบัติสักทีมันเงี้ยเอาแล้วคราวนี้ชักเดือดร้อนนะ น, นะมีคนมาบทให้ฟังว่าเมื่อไรจะพาปฏิบัติสักทีงว่างั้นคือคือเพราะจับอะไรไม่ได้เลยนะก็เป็นที่น่าเห็นใจเนี่ยนะช่วยเรียนถามปัญหาพระกุณเจ้านะครับเมื่อกี้พ่การพูดถึงเรื่องของอการพิจารณาโดยความเป็นอสุภะเนี่ยครับความจริงก็ขึ้นอยู่กับการน้อมไปของจิตใช่ไหมครับ เพราะว่าถ้าพิจารณาโดยความปฏิกูลผมคนเล่นฟันหนังนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลมหายใจเนี่ยคิดว่าไม่ได้ทุกบัพพระที่จะมาพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลใช่ไหมครับถ้าถ้าคนที่สังเกตนะลมหายใจเนี่ยปฏิกูลโดยกลิ่นเนไหมลมหายใจเนี่ยปฏิกูลโดยกลิ่นและโดยโผทะพระด้วย ถ้าเอาคนอื่นมาหายใจรถเราเนี่ยพอใจไหมนะแล้วบางคนนี่หายใจนี่มันมีกลิ่นมาด้วยเนี่ยนะปฏิกูลโดยโพธภาษับโดยกลิ่นเนี่ยนะเพราะไม่ปรากฏโดยสีใช่ไหมแต่ว่าปราปฏิกูลโดยกลิ่นกับโดยโพธะนะเพราะคนหายใจเนี่เขาจึงไม่ค่อยหายใจใกล้ๆกันเท่าไหร่หรอกนันะบางทีถ้าใครหายใจดังๆก็ปฏิกูลโดยเสียงนะนะคือเพราะตัวลมเนี่ยเป็นเป็น ลมเนี่ยเป็นสนิทัศนะเออขออภัยอนิทัศน์สนะัสปพติค่ะเป็นตัวที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ไอการกระทบของลมเนี่ยถามว่าปฏิกูลไหมก็ปฏิกูลเห็นไหมพันธานลมในถ้าใครเคยหายใจรถกระจกมัง้งเห็นไหมก็จะเริ่มเห็นความปฏิกูลของของลมอันถ้าอยู่ในห้องอับๆเลยถนะ้าทุกคนหายใจกันหมดนะห้องนั้นจะปฏิกูลทันทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ตัวลมเองก็ปฏิกูล คนนี้คนจะแยกไหมครับว่าเราควรจะรู้ไหมครับว่าตอนไหนเนี่ยเป็นสมถะหรือวิวปัสนาเพราะว่ารู้สึกว่าการน้อมไปของจิตนี่จะแตกต่างกันนคะครับว่าขณะนั้นเนี่ยพิจารณาเพื่อละราคะหรือว่าพิจารณาเพื่อละอวิชชาออปัญญาเนี่ยนะมีอะไรเป็นเหตุใกล้ตัวปัญญาเลยนะมีสมาธิเป็นเหตุใกล้เพราะฉะนั้นคนที่สงบเท่าไหร่ถ้าข้อมูลเท่ากันนะ อันนี้พูดถึงคนมีสุตตะเท่ากันแนละคนหนึ่งสงบระดับฌานอีกคนหนึ่งไม่ได้ฌานแล้วพิจารณาสิ่งเดียวกันเนี่ยคนไหนจะได้เปรียบกว่ากันนะคนได้ฌานก็ได้เปรียบกว่าเพราะนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมเลยฉั้นการพิจารณาลมเนี่ยสำหรับสมมติว่าผู้ที่ฟังสติปฐานมาเหมือนกันจบมาเท่ากันหมดเลยอีกคนหนึ่งกําหนดลมได้ไม่ถึงสิบนะน่ะจำแนกว่านับลมไปก็ไม่ได้ถึงสิบคิดโน้นคิด น, น, ดนี่สับไปตลอด กับเอกคนหนึ่งเนี่ยรอบอ่าเาเรียกว่ากาหนดอยู่กับลมเนี่ยจนได้ฌานแล้วเอาเรื่องลมเนี่ยมาทำปริญญาเนี่ยนะเอามามากาหนดในความเป็นรูปประคันเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาลมอ่ะลมคือรูปประคันเมื่อลมคือรูปประคันเนี่ยซึ่งลมก็นับเป็นมหาพูดอย่างหนึ่งในมหาพูดสี่คือนั่นนะ วาโยทีนี้วาโยเนี่ยเป็นข้อตัวเลขนะจำนวนเลขเป็นตัวเลขที่สี่ก็มีสามมีสองมีหนึ่งหนึ่งก็ปัทวีสองก็อาโปสามเตโชส ว, วาโยอันถ้าผู้ที่รู้ลมดีจะต้องรู้มหาปุตธรูปอย่างอื่นด้วยเช่นคนที่พิจรนารณาลมนะถ้าตัวกายเนี่ยคือกระบังลมตัวกายคือกล้ามเนื้อที่ยึดโครงกระดูกเนี่ยนะ ถ้ามันไม่ทํากิดปั๊มเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็หายใจไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะปอดตัวปอดเองไม่ใช่เป็นตัวดึงลมเข้าดมออกโดยลําพังมันเองใช่ไหมมันอาศัยแอกระบังลมอาศัยกล้ามเนื้อเนี่ยนะอาศัยกล้ามเนื้อในซี่โครงเนี่ยช่วยช่วยดึงเข้าดึงออกเลยนะลมก็เลยสูบเข้าสูบออกได้อันนั้นเป็นปัทวีธาตุเนี่ยนะที่ที่ทำกิดไหมดึงลมเข้าลมออกเนะี่ยทีนี้ในตัวลมเองก็มี อาโปอยู่ด้วยแล้วก็หายใจนี่มีความอบอุ่นคือเตโชอยู่ด้วยเนี่ยนะก็คือมหาภูตรูปถ้าถ้าพูดถึงเท่านี้เนี่ยมันก็เท่ากับพูดส่วนกลางของร่างกายแล้วใช่ไหมก็แล้วองค์ประกอบของส่วนกลางของร่างกายที่จะพิจารณาเจาะลึกลงไปก็สำหรับผู้ที่จิตสงบแล้วไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะอาการสามสิบสองเป็นต้นเนี่ยนะคือเช่น ลมวักกะปัญจกะหรือกลมปรับพาสปัญจกะก็จะเข้ามาทั้งหมดเนี่ยนะคือเช่นมังสังคือหัวใจเนี่ยนะเออเข้าไปหาทะยังใช่ไหมหาทะยังปีหากกังคือตับกิโลมักกังพังผืดปีหากกังม้ามปรับภาสังปอดก็จะเอามามาทําพิจารณาเนี่ยมาทำปริญญาละ ว, ว่าทั้งหมดนั้นเป็นรูปประคันทีนี้รูปประคันเนี่ยมันมีภัยอะไรบ้าง ตัวเขาเองเนี่ยนะตัวรูปประขันเหล่านี้เป็นไปกับชาติติภัยนะทุกคนเนี่ยชาติมามีมีละทีนี้ที่เหลือก็ชารากับมรณะภัยหัวใจนี่โรคเท่าไหรนะ่มันก่อนบอกจานวินิต ย, ยังมาเปรย์คร่าวๆว่าไม่ต่ำกว่า50สิบโรคเฉพาะไอหัวใจเท่ากัาปั้นเนี่ยนะปั๊มสูบฉีดเลือดนี่ไม่ต่ำกว่า50ชนิดแต่ว่านิยามแบบชาวโลกทั่วๆไปธรรมดาแบบชาวบ้านเรียกว่าโรคหัวใจ แต่จริงๆในเรื่องรายละเอียดของโรคหัวใจไม่ต่ำกว่าห้าสิบชนิดทีนี้โรคตับอีกเหเนี่ยนะมีเรื่องตับอีกก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะผู้เชี่ยวชาญหมอตับเนี่ยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องผ่าตับเนี่ยมาประชุมกันเนี่ยเรื่องตับอีกก็เรื่องใหญ่เรื่องปอดอีกก็เรื่องใหญ่เนี่ยนะเรื่องพังผืดอีกก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องม้ามอีกก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเนยซึ่งแต่ละอย่างเหล่านั้นเนี่ย ปฏิกูลไหมหรือไม่ปฏิกููนะถ้าใครเดินแล้วก็หัวใจออกมาปั๊มไม่ดูข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยนะพอใจไหม